เรื่องอบตัวสามเรื่อง184สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธภิกษุทั้งหลายจึงให้ท่านอบตัวจนถึงแก่มรณภาค พ, พวกท่านเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัตรปาราชิกหรือนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพร ะ, พระภาคให้ทรงทราบร่งตรัสถามว่าพวกเธอคิดอย่างไร พวกข่าพระพุทธเจ้าไม่มีความประสงค์จะฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าพวกเธอไม่มีความประสงค์จะฆ่าไม่ต้องอบัตวงเล็บเรื่องที่ส3สามสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาภิกษุทั้งหลายมีความประสงค์จกฆ่าจึงให้เธออบตัวจนถึงแก่มรณภาพพวกท่านเกิดความกังวลใจว่าพวกเราต้องอบัตปาราชิหรือหนอจึงนำเรื่องนี้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 แต่ต้องัอาโทธนใจวงเล็บเรื่องที่35